วันพรุ่งนี้หระหว่างงานของพวกเรามีอะไรบ้างถ้าไม่มีการปารบับรบเลยมาแล้วก็ไหว้พระจบแล้วก็ฟังเทศขององค์ลุงาตาแล้วกัพวกเราไม่ได้ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ไม่รู้ว่ากฎกติกาของท่านมีอะไรบ้างอันนี้เพราะฉนั้นหลวงพ่อมาแต่และครั้งก็ได้พูด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 จึงขอพอรมันจึงจะถูกนะเราสร้างคุณงามความดีซะก่อนเราจึงขอพอรไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ขอพอรด่ไปเลยตัวเองก็มองหาคุณงามความดีตัวเองก็ไม่ได้ทั้งเผลอๆอยังเมาหัวพัดหัวเวียงอีกไปขอพอรจากพระอีกพระโอ้จะขออย่างไรยังไปเถีย ก, กับพระอีกอยากจะได้พรฮะดูๆแล้วมันยังไง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 เออเ พ, พราะอะรเพราะว่าท่านไม่ดับเครื่องนะแต่ว่ า, วาร่างกายยังหายใจปกติอยู่หายใจหัวใจถ้าก็เต้นปกติอยู่แต่ท่านไม่มีความรู้สึกท่านเข้าสู่นิพพานไปสวยวิมุตติสุขพระไทยใจของท่านความรู้สึกของท่านเข้าสู่นิพพาน deutlich? ความบริสุทธิ์ของท่านแต่ร่างกายของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งเออหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่ว่า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 พระราชาว่างในช่วงนั้นกับปาธนาเป็นพระราชาก็ได้เป็นพระราชา เ, เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำกับพระประเจกผู้เที่ยที่ออกจากนิโรธสมาบัติหรือว่าทกับพระอราหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติกุศลในท้ายว่าถูกถูกลางวันหัวแจ็คพอตไป็นร้อกี่เท่าเลยละ่ะแปลว่ารวยขึ้นมาแบบมหามหาศาลเลยละ่ะ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 ทำบุญครับผมพระปเจกเดินตามหลังทุกขตะไปพอตามไปถึงเะอ่ทุกขตะก็เรียกแม่บ้านเอออาหารของผมยังมีไหมมีอยู่ท้งแม่บ้านเออเอามาให้ผมหน่อยผมจะทำบุญเสร็จจากนั้นได้อาหารเสร็จเรียบร้อยก่นอนพอระปเจกยืนรอคอยอพอเขียอาหารลงไปครึ่งหนึ่ง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 รู <Started. S 2> ออ้อุปาเสัยแล้ว่าเ อ, อเขาปรารถนาะอย่างที่เขาว่า ي, จะสําเร็จไหมนี่เพระพระเจกกับมองอีก น, นั่นท่านมองด้วยญาณทัศนสถานของท่านท้อทท้อทโอ้สาเร็จจริงแอบในสง์ของเขาปรารถนาะจีนี้สําเร็จจริงพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้พรน่ะเอวังโหตุเอวังโหตุ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 เช็ดให้แห้งแล้วเอาใบหนึ่งมากระขอบเลยใครๆเอาภาชนิดขอบเป่าทั้งสองฮะใบหนึ่งเอาใบหนึ่งมาครอบไปส่งไปให้พระลูกลู ก, ล, ก, ล, กลูกเรานะเขาไม่รู้ว่ามันหมดนั่นคืออะไรตอนนี้มหาดเล็กก็สั่งมาใหญ่ก็ต้องเอาไปอย่า ง, งานั้นใส่ในบา ก, ก็เดินไปเพื่อจะให้พระลูกเจ้าใช่ไหมเทพพระยายดาทั้งหลาย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 รูปประชานคือฌานที่4อรูปประชานคือฌานที่หพระธองค์ปรินิพานในระหว่างรูปประชานกับอรูปปัจจานที่4กับที่หปรินิพานตรงนั้นพอปรินิพานเสร็จแล้วพระอนุรุทธาก็บอกว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วหมดเลยจากสมมุติแล้วสมมุติไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่รู้จะเอาสมมติตัวไหนไปเปรียบเทียบเหมือนกับนกบินในอากาศไม่มีรอยหมดแล้วพระธองค์ปรินิพานแล้วนะ